แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นรูปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปแต่พูดถึงเรื่องมารคือสิ่งที่ล่างปราดได้ทำลายตลอดถึงเป็นผู้ฆ่าผู้กลนจากความดีงามทั้งหลายนำให้เกิดความทุกข์ในรับต่างๆทั้งในขณะนั้นๆในช่วงต่อไป และความทุกข์ในสังสารวัฏเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็นวิธิตตมาโรคือ ท, ทรงชนะมานเป็นการชัยชนะที่เด็ดขาดไม่มีการขับเริ่มอีกต่อไปธรรมาที่ทรงแสดงเอาไว้ทั้งหมดที่สรุปรวมเป็นหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการนั้น จุดมุ่งหมายในเชิงละก็คือการทำลายพวกมารทั้งหลายเพราะกมประมาณที่จำแนกแสดงไว้แล้วกราบมาแล้วโดยจำกับสองฝ่ายนั้นในแง่ของความเป็นจริงก็มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคือเป็นเรื่องของขันทั้งห้านั่นเองกิเลสมาร์มารคือกิเลส ก็ได้แก่เจตสิกธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลนำให้ทำพูดคิดไปในทางที่ทุจริในระดับต่างๆอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างซึ่งก็หมายความว่ากิเลสมารก็คือขันธมารในรูปแบบหนึ่งนั่นเองแต่เป็นเรื่องของนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล แล้วก็ปรุงจิตให้เป็นไปตามหน้าของตนในขณนะนั้นๆเช่นว่าจิตถูกปรุงด้วยความโกรธก็กลายเป็นจิตโกรธแต่เนื่องจากจิตนั้นเป็นของของบุคคลนั้นก็เรียกบุคคลนั้นโกรธซึ่งในกระบวนการของมันแล้วพึงสังเกตว่าจิต มันถูกปรุงด้วยอกุศลที่เป็นเจตสิกที่เป็นอกุศลความเปลี่ยนแปลงภายในจิตก็กลายเป็นความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาแต่ว่าดีจิตมันก็เป็นจิตของคนแต่ละค น, นแี่าแสดงอาการออกมาก็กลายเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงนำไปสู่การกระทาคำพูดที่ เป็นบาปเป็นอคุลอยาบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างเพราะกิเลสในประเภทต่อไปใช้คําว่ามานประเภทต่อไปใช้คาว่าอภิสังขารับมานมานคืออภิสังขารคําว่าอภิสังขารในที่นี้หมายถึงบาปหมายถึงบุญหมายถึงอนิจชาคือผลจากการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิต จนมาู้ชานก็ยังถือว่าเป็นมารในระดับหนึ่งแต่เวลาจับแน่แสดงนั้นจะพูดไปโดยลำดับประเภทแรกจะเน้นที่อภิสังขารที่เป็นบากและแม้แต่อภิสังขารเองท่านสาธุชนก็จะมองถึงความเกี่ยวเนื่องกันเพราะตัวอภิสังขารนั้นเป็นผลมาจากกิเลส กิเลสที่ไหนกิเลสที่ขึ้นปรุงจิตก็นําให้จิตท่ามองไปในขณะนั้นนั้นแลก็กลายเป็นบาปในส่วนเหตุเมื่อถูกความคิดที่เป็นบาปครอบงําก็มีความเร่าร้อนปรากฏขึ้นภายในจิตจะเป็นอาการของบาปที่ปรากฏแก่กจิตต่อไปจิตก็จะถูกบงการให้กระทําให้พูดไปในทางที่ ท, ทุจริต ผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนในลักษณะต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นอย่างที่ปรากฏในชีวิตของบุคคลแต่ละคนหรือปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวที่ให้ทราบกันในที่ต่างๆวันคำว่ามาในที่นี้ก็คือผลซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสนั่นเองมีการเก็บการสะสมเอาไว้ภายในใจ แสดงอาการออกมาในขณะดนั้นั้นแต่บาปเองมันก็มีหยาบมีกลาง ม, มีละเอียดตามความรุนแรงของกิเลสจะมีการจำแนกบาปบ า, ปปางประเภทเอาไว้ว่าเป็นบาปที่รุนแรงหรือประกอบด้วยโมฆะหรือความหลงอยู่มากแต่แก่ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นการหลังหันหลังให้พระรัตนตรัย ห, หลังให้พระพุทธเจ้าทีเดียวคือปฏิเสธทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตรงกันข้ามกบหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอยากที่ทรงแสดงเรื่องความเชื่อที่เป็นพื้นฐานในชีวิตประจําวันของคนในสูตรต่างๆของโลก ตัวก็มีอยู่ปรากฏทุกมีปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยเช่นพวกผู้ที่ประเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีการกระทําทั้งดีทั้งชั่วก็ไม่มี ท่นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุก ค, คนอื่นให้รู้ตามก็ไม่มีศาสตร์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีแต่และอย่างนั้นเป็นความเห็ผิดเป็นการปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นความเห็นผิดแล้วมันก็ผิดต่อกันไปเป็นแถวอย่างที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าสิ่งทั้งสิบประการ น, นั้นมีอยู่โดยแท้ แต่คนบางพวกเห็นว่าไม่มีความเห็นก็เป็นวิชาจิจิตเมื่อเห็นว่าไม่มีเขาก็คิดตามที่เขาเห็นความคิดนั้นก็เป็นวิชาสังกัปปะคือความคิดผิดเมื่อคิดแล้วเขาก็ต้องพูดต้องทบแต่สืบเนื่องมาจากความเห็นความคิดที่ผิดเพราะงั้นพูดก็ผิด การพูดจึงเป็นมิจฉาวาจาคือวาจาที่ผิดแต่ไปเกิดต้องแนะนําสั่งสอนที่แจง้งแกบุคคลอื่นเขาก็กลายเป็นผิดต่อไปเป็นการที่แจงแนะนําสั่งสอนในทางที่ผิดมีวาทะที่เป็นค่าศึกต่อพระอราหันต์ทั้งหลายในโลกตัวเองนั้นจะประสบบาปและนําบุคคลอื่นซึ่ง เห็นตามคล้อยตามปฏิบัติตามให้กระทำบาปไป้วยคนเหล่านี้หรืออันที่จริงก็คือความเห็นในรัณนนี้มอเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เกิดเพื่อประโยชน์แก่คนเป็นนั้นมากเพื่อเกื้อกูลแก่คนเป็นนั้นมากแต่เกิดขึ้นเพื่อความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นบาปที่แรง อนันตการาไว้โดยสรุปเป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือปฏิเสธการกระทําทั้งหมดไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามคือไม่ยอมรับว่าเป็นการกระทําประการที่สองเป็นการปฏิเสธผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเหตุเช่นคนที่ไม่รับผิดชอบทั้งหลาย อะจึงผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาเองแต่เพราะความเห็นผิดก็ให้เกิดความเห็นแก่ตัวก่อให้เกิดการต้องการจะกลบเกลื่อนปกปิดความผิดปกติของตัวก็ปฏิเสธเพราะตอนไม่ได้ทําไม่ได้พูดในเรื่องนั้นๆเป็นตนประการที่สามนั้นปฏิเสธตัวเหียดหรือปฏิเสธสัพพสิง่ง โดยอนุญาตที่ได้กล่าวมาแล้วก็ถือว่าไม่มีทั้งหมดความเห็นเหล่านี้พึงสังเกตว่าเป็นอาการของอกุศลคือมิจฉาทิจิตมิจฉาทิจิก็คือเรื่องของอวิชชาอาวิชชาก็คือโมหะหรือความหลมก็เป็นเรื่องเดียวกันตัวเขาเองนั้นตัวความเห็นเองนั้นเป็นกิเลสสมาร์ตมานคือกิเลสแต่เกิดขึ้นภายในจิตมันก็กลายเป็น ขันธมานประการหนึ่งคือเป็นส่วนหนึ่งของขันธมานอาการที่ปรากฏขจิตจนออกมาเขาก็กลายเป็นบุญเป็นบาปเป็นความขุดมัวเป็นความเศร้หมองเป็นความเดือดร้อนเพราะงั้นบาปก็คือความเดือดร้อนนั่นเองมันตรงกันข้ามกับบุญบุญก็คือความสุขบาปก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความเดือดร้อนนั้นจะมีอยู่ในสามช่วงคือช่วงที่เริ่มคิดเป็นบาป ก็ร้อนแล้วเริ่มทําในสิ่งที่เป็นบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปกว่า อ, อาการเขาขนบาปก็ปรากฏความเราร้อนก็เพิ่มขึ้นหลังจากทาไปแล้วความเร่าร้อนคือความวิปัสสนาใจตั้นเองจะเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของบุคคลดอก น, นั้นแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าตัวเองก็รู้เห็นจิตต้องแบบเป็นนึก ไปมีตกกังวลไปเดือดร้อนเพราะบาปเหล่านั้นแล้วพอบาปให้ผลข่าวอาการที่เด่นชัดก็จะปรากฏแต่ถ้าหากว่าเขามีความเห็นผิดเขาเาก็ปฏิเสธผลเหล่านั้นแล้วก็โยนเหตุมาให้ข้างนอก จนลูกบางคนศึกษาไม่ประสบความสําเร็จพอประสบความเดือดร้อนเข้าแทนที่จะตําหนิตัวเองจะลงโทษตัวเองก็ตําหนิพ่อแม่ครูบาอาจารย์สภาพแวดล้อมสังคมต่างๆเป็นต้นก็กลายเป็นคนที่จริงช่างสังคมจนถึงกับมีความคิดเป็นปฏิบัติต่อสังคมจนถึงกัแก้แค้นสังคมตัวอาการเหล่านี้เราก็พบได้ยินได้ฟังข่าวคร า, าวต่างๆกันอยู มันเป็นกระบวนการทางจิตที่ยสายการเก็บการสะสมความเห็นผิดเอาไว้ในลักษณะต่างๆแล้วในสุดก็สำแดงอาการออกมาคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือคนคนนั้นในเบื้องตน้นแล้วก็พร้อมที่จะกระจายความเดือดร้อนไปสู่คนอื่นถ้าเขามีการทํามีการพูดออกไป บาปที่แรงน้อยลงมาหมายความเมื่อเทียบเคียงกับบาป ท, ที่มากแต่ว่าลดความรุนแรงลงมาหน่อยนั่นก็คือเรื่องของอนันตรรก ร, รมเป็นอาการของโมหะอาการของโทสะอย่างแรงข้าบรรดาข้าวีดาขาา้าพระหันทำรายพระพุทธเจ้า ทำสูงให้แตกแยกกันตัวเองเห็นได้ว่าที่จริงก็คือกิเลสแต่มันเกิดขึ้นปรุงจิตแล้วก็ทําบาปต่ลงมากลายเป็นมารอยู่สามช่วงช่วงที่เป็นกิเลสก็เป็นกิเลสสมานช่วงที่ขึ้นปรุงจิตตามจิตวิปริลิตไปก็กลายเป็นขันธ์สมานแต่เราคิดไปทําไปพูดไปก็กลายเป็นบาป เป็นเป็นบาปซึ่งเกิดขึ้นเผาหล่นใจของบุคคลดรานั้นกรรมประเภทนี้ต้องยงถือว่าแรงที่แม้แม้จะเคยทำความดีเราอื่นไว้ในการก่อนแต่เนื่องจากบาปประเภทนี้มันมันมันหนักมากมันแรงมากเพราะกรรมหนักคือกรุ ก, กรรมกรรมหนักจะให้ผลก่อนกรรมอื่น ตอนนอนใกล้ๆกับเราของซึ่งมีน้ำหนักแตกต่างกันทิ้งลงมาจากที่สูงบางใดที่มีน้ำหนักมากก็จะลงถึงพื้นดินก่อนบางที่น้ำหนักน้อยก็จะถึงในช่วงหลังตามลําดับเพรา ะ, ะนิยมเกเรตมาอ่ะอภิสังขารมานมานคือภิสังขาร ที่เป็นบาปนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในงดเว้นในชั้นศีลธรรมจัญญานั้นจะไม่พูดเรื่องงดเว้นกิเลสเพราะว่าเขาใจย า, ยากไม่เป็นนามธรรมจะพูดเรื่องงดเว้นความชั่วงดเว้นอาบายยมุกเป็นต้นที่พูดกันงดเว้นการฆ่ า, า, า ก, การรักการประพฤติผิดในทางประเภทนี้ก็อลองสังเกตดูว่าที่จริงพวกนี้มันก็คือกิเลสนั่นเอง แต่มันเป็นอาการเป็นรูปธรรมที่เราเห็นได้เช่นความเป็นนักเลงหญิงนักเลงธุราเล่นการพนันครบคนชั่วเป็มิจฉาทิฏฐิทำการงานเที่ยวกลางคืนถึงการนเล่ น, นตา่างๆแต่เรามองที่จิตมันก็เกิดมาจากจิตซึ่ถูกปรุงด้วยโมหะด้วยโลหะก่อให้เกิดความโลภความหลง ปรุงที่ไหนก็ปรุงที่จิตของเขาว่าทำให้จิตของเขานั้นมีความโลภความหลงครอบงำอยู่ในขณะนั้นต่อไปก็ออกไปทำไปทำมันก็กลายเป็นการกระทำบาปเป็นการพูดบาปเป็นการคิดบาปอาการเหล่านั้นปรากฏแก่สายตาของคนอื่นได้พูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายกว่าที่จะพูดเรื่องของกิเลสแต่ในภาคปฏิบัติแล้วจะลดหรือจะเพิ่มมันก็เพิ่มด้วยกันลดด้วยกัน มายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ากิเลสสมานเกิดขึ้นไม่มากก็ปรุงจิตได้เกิดความเราร้อนไม่มากเมื่อจิตมีความเราร้อนด้วยแรงกิเลสไม่มากความคิดที่เป็นบาปก็น้อยการทำที่เป็นบาปก็น้อยการพูดที่เป็นบาปก็น้อยอาการเหล่านี้เป็นสังเกตว่าบางครั้งเราเกิดรู้สึกเช่นรู้สึกโกรธขึ้นมา ถ้ามากดแรงจนคุมไว้ไม่อยู่ดิอาจจะทําอะไรลงไปแรงๆพูดอะไรลงไปแรงๆแต่พอดีความโกรธในช่วงนั้นเกิดขึ้นไม่แรงกว่าจะทําแค่ความคิดนึกแช่งนึกให้เกิดความบิบัติับเดือดร้อนแก่คนอื่นหรืออาจจะบ่นหรืออะไรออกมาหรือไม่ออกมาทางกายก็คงจะทําเนื้อมือหรือขยับตัวเนี่ย รือไม่ถึงก็ไปลงไม้ลงมือหรือถึงก็ด่าว่าแต่ถ้าก็แรงมันก็ออกมาหมดทั้งสามทางเกิดทั้งกายทั้งทางวาจาทังใจนี่คือมองให้เห็นเรื่องความต่อเนื่องพระธมมาในเชิงปริยัตินั้นพึงสังเกตว่าเป็นเรื่องการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงตลอดระยะเวลา4ี่สิ้าปีมาพูดกันแต่พรธรรมมาแต่ละข้อแต่ละหมวด ในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสมัยนั้นผู้ฟังก็ได้ไปรับผลสูงสุดในทางศาสนาอยู่แล้วซึ่งก็หมายความว่าในภาพปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องมีมากเพราะจะเป็นเงื่อนไขปัจจัยของการการส่งเสริมสนับสนุนการทางด้านกิเลสและก็ดัชมีกิเล ถ, ถ้ามีจุดเริ่มต้นเป็นกิเลส ธรรมะไม่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมาตัดเช่นในตอนใดตอนหนึ่งกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ามีจุดเริ่มต้นเป็นธรรมะไม่ถูกกิเลสไปล้างในช่วงใดช่วงหนึ่งเขาก็จเจริญเติบโตได้เรื่อยๆมองดูเหมือนกับการปลูกพืชพืชแต่ละชนิดที่ปลูกลงไปบนดินหรือว่างอกลงบนแผ่นดิน มีเป็นอันมากที่ถูกทำลายไปคือทั้งพืชชนิดดีและชนิดไม่ดีก็ถูกทำลายไปในตอนต้นผลต่อเนื่องก็จบตรงนอนนั้นแต่ก็มีเป็นอันมากที่เจริญเติบโตมาได้ทั้งพืชชนิดดีและพืชชนิดไม่ดีพากนั้นก็แตกดอกออกผลออกมาแล้วก็แพร่พืชขยายพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆในโรกเรามันจึงมีอยู่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ดับไปในระหวา่างในแต่ละช่วง แล้ ว, ว่ายที่มีการสืบเนื่องกันมาได้พอปรากฏเป็นอาการก็สืบเชื้อสายกันไปสายกิเลสสายขากัมมทมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตอนนั้นที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปและปรากฏไว้ในที่ต่างๆเป็นทันมากไปเชี่เห็นสภาพของจิตที่ถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลหรือพู ด, พดง่ายๆว่าปรุงด้วยความดีหรือความชั่วกาล อย่างใดอย่างหนึ่งพอเกิดขึ้นแล้วเช่นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากก็เหมือนกับเมตตาจิตที่กำังเกิดขึ้นเมตตาจิตนั้นที่จริงเป็นธรรมะแต่ตัวเมตตาที่เกิดขึ้นนั้นเองจะสร้างศีลขึ้นภายในจิตคนเอง เพราะอาไรประการดำ เ, เนินชีวิตของบุคคลนั้นจะไม่ไปกระทบกระเทือนต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองต่อผลประโยชน์ของบุคคลเดิมคือศีลห้ามันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าศีลหา้าเกอะไรได้ด้วยซ้ําไปเพราระอะไรเพราเป็นสูตรของเขาคือกุศลธรรมมันเกิดขึ้นกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้น เพื่อนผู้ชายก็ส่งสอนในรูปของการให้บุคคลใช้ความเปลี่ยนพยายามเพื่อพูนความดีเหล่านี้ขึ้นมาในตํามองเช่นเดียวกันคือถ้าหากว่ า, ากุศล เ, เริ่มต้นเช่นสมมุติว่าเริ่มต้นด้วยความโลภพเริ่มต้นด้วยความโลภแล้วก็อาจจะไปถึงก็ทําลายชีวิตสัตว์อื่นเพื่อ เอามาเป็นประโยชน์ของตัวเองทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นไปประพฤติผิดในทางคู่ครองของบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปจนเป็นมิจฉาทิฐิในที่สุดค้อนี้ถ้าเรามองดูตัวอย่างบุคคลคือชีวิตแบบของพระเทวทัต พระเทวทัต น, นั้นบวช ด, ด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าอุสารเดินไปข้ามไปหลายเมืองเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจา้าเพื่อแสดงว่าตอนต้นที่จริงท่านเริ่มเป็นอกุศลท่านเริ่มเป็นกุศลในธรรมแต่ต่อมาท่านเกิดรู้สึกริษยาในลาบสักการะชื่อเสียงความเคารพนับถือที่เพื่อนรุ่นเดียวกันได้แต่ท่านไม่ได้ ความคิดในทางริษยาก็เกิดขึ้นบริษยาก็แข่งดีเพรแข่งดีก็ต้องการชนะต้องการชนะมันก็เอาทุกอย่างปริมาณความชั่วที่ท่านทำนั้นค่อยเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆจนถึงก็ลงทุนไปกลิ้งหินให้ทัพพระพุทธเจ้าแต่กว่าจะถึงช่วงนั้นที่จริงแล้วท่านทำ เ, เล็กๆมา ก, กว่านั้นก่อน เตียงแต่ในช่วงนั้นมันกำลังกิเลสมันกล้าแข็งเกิดไปธรรมะที่ผ่านมาจากพระพุทธเจ้าบ้างจากพระนรินบ้างจากเพื่อนทั้งหลายบ้างที่ให้สติว่ากล่าวตักเตือนที่แจงเหตุผลเอาไม่อยู่แล้วเพราะกำลัง ข, อง ข, องของ้อคุศลมันแรงแต่ในสุดก็อย่างที่ทราบกันนั่นคือเห็นว่ากระบวนการของความคิดที่จริงมันเริ่มมาจากกิเลสสมาน คือความริมษยามันก็เป็นอาการเป็นนามธรรมนะฮะปรากฏภายในจิตก็ทําให้เป็นขันตมามานคือขันโดยเฉพาะคือสังขารขันนันเกิดขึ้นในจิตก่อนพอตอมาท่านก็มีการพูดที่เป็นบาปการกระทําที่เป็นบาปการเจิญชวนชักชวนที่เป็นเหตุแห่งบาปแล้วก็เป็นบาปด้วยเป็นเหตได้เกิดบาปด้วย ความรุนแรงของการกระทำของคำพูดมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลาดับตื้นในที่สุดด้วยผลของบาปบาปที่เกิดขึ้นที่ไหนที่เกิดขึ้นที่จิตจิตถูกมีอะไรเกิดขึ้นทีงเป็นบาปก็คือกิเลสพวนี้ก็กลายเป็นการรวมกันสามานคือทั้งกิเลสทั้งขันแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นรูปบาป ไอ้ดุจตันก็ตกนโรคกระเวืจีไปอย่างที่ทกันเพนพวกบาปพวกอคุศลทั้งหลายที่มันหยาบที่มันหยาบน้อยลงมาคือมีความรุนแรงน้อยลงมากว่านั้นแตลครับก็ได้แก่การกระทําที่เราเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมบทคือทางดําเนินของจิตที่ไปอยู่ในครองของอกุสน มีการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับชีวิตที่เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับคู่ครองการใช้คําพูดที่เป็นทุจริตการมอมเมาตัวเองด้วยสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายด้วยสุขภาพจิตด้วยการพูดเท็จพูดรมอยาบพูดโสเสพเดี่ยวไหลเหล่านี้ที่จริงมันเกิดมาในช่วงนี้ท่านสาธาชนใจเห็นได้ว่าพวกอักุศนกบฏ ก็ทรงแสดงไปพวกมารทั้งสามช่วงนั่นเองคือกิดลสมารน่ะมันอยู่ที่มนุทุจริตแล้วแกก็เกิดขึ้นปรุงจิตก็คอยเกิดการทำบาปทางกายทางวาจาก็กลายเป็นอกุศลทุจริตผลขการกระทำนั้นนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองด้วยมาสู่บุคคลอื่นด้วย ชีวิตของบุคคลก็ประสบบาปพวนี้จึงเป็นบาป ท, ที่สากลนคือทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายไม่ได้เจาะจงมาต้องนับถือศาสนานั้นศาสนานี้มันเป็นบาปสากลนก็คล้ายๆกับคนสัมผัสกับพวกสภาวะธรรมชาติทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่ต้องเป็นใครมันก็เป็นอย่างนั้นเองคล้ายๆกับลงในน้ำแล้วก็เปียก ที่จับไฟแล้วก็ร้อนมันเป็นสภาวะธรรมชาติของมันบาปก็เป็นสภาวะตามธรรมชาติของอกุศลก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่นับถือาศาสนาอะไรก็ได้แต่อาการเขาก็เป็นอย่างนั้นจะเป็นมานเป็นอุปสรรคเป็นฝากหนามเป็นเครื่องตัดร้อนบั่นทอนความเจริญเข้าวหน้าในชีวิตของบุคคลนั้นๆให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดำับ เรียกว่า เ, าเรียกว่าตกต่ําจนสำนวนทางศาสนาที่ใช้คําว่าตกนรกที่จริงบาลีไม่ได้บอกว่าตกนรกแต่อบอกบังเกิดในนรกแต่คำว่าตกนั้นเป็นภาษาไทยที่เราใช้คําว่าตกนรกขึ้นสวรรค์นั้นเป็นการแสดงสภาพจิตคือจิตที่มันตกต่ําอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสดูกิเลสมานเผาผลาญทําให สังขาระขันโดยเฉพาะคือจิตมันวิปริตแปรผันไปมีการทำการผู้การอิทธิเป็นบาปสะสมบาปต่างๆเอาไว้ซึ่งบุคคลจะต้องมองให้เห็นโทษทุกขั้นตอนจะมองเห็นโทษประจักษ์แจ้งสามารถจะป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดขึ้นไว้ได้ มันก็ใกล้ๆกับคนชวนไปทะเลาะกันเรื่องนั้นตราญจะการทะเลาะมันก็ปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นเรื่องต้นบ ม, มันก็ยุติเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้อยากทะเลาะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตความคิดที่เป็นบาปคือต้องการจะทะเลาะก็ไม่เกิดการพูดจาชวนทะเลาะก็ไม่เกิดการกระทําที่เป็นการทะเลาะกันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดบาปมันก็ไม่เกิด ดังพวกนี้จึงเป็นกระบวนการของมารทั้งสามประเภทซึ่งอาจจริงแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเพียงแต่ว่าจะหยิบจุดไหนมาพูดมาสแสดงการพูดเรื่องบาปเป็นมารล้างผลานั้นเข้าใจง่ายเพราะมันเป็นรูปธรรมคือคนบาปต่างๆก็มีให้เห็นกันดูถ้าบุคคลมองเห็นโทษ ของการกระทําบาปเหล่านั้นแล้วเอ่แสดงว่ากิเลสเองก็ลดลงจิตจะถูกปรุงด้วยกิเลสน้อยลงแม้จะต้องกระทําบาปบาปก็จะน้อยลงวังการมองเห็นโทษถึงมองเห็นโทษของกิเลสก็ได้มองเห็นโทษของความเร่าร้อนภายในจิตก็ได้มองเห็นโทษของบาปก็ได้ แต่ถ้าเกิดสำรวมระวังงดเว้นแล้วมานทั้งสามประเภทนั้นก็สงบลงไปในในระดับนั้นนกิเลสอาปุญญาพิสังขารนพิสังขารคือบาปจึงเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่ใจของบุคคลซึ่งถูกปรุงด้วยกิเลสก็อเกิดความร้าร้อนขึ้นภายในจิตบาปก็เกิดขึ้นแล้วในจุดนั้น จะรุนแรงขึ้นมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมจิตของบุคคลนั้นๆในแต่ละขณะถึงอาจจะจุดว่าหยุดไว้ในจุดนั้นหรืออาจจะไม่ให้เกิดขึ้นมากก็ได้ท่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณธรรมภายในจิตของบุคคลที่จะคุ้มครองรักษาจิตไว้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ บุคคลต้องเกี่ยวข้องเจอเจอกันตลอดเวลามากบางน้อยบ้างเมื่อมองเห็นโทษแล้วก็พยายามสำรวจระวังไว้บาปซึ่งเป็นมารประการหนึ่งก็จะลดน้อยถอยลงไปใจก็จะมีความสงบตามต้องควรก่การพิทบรติบัติต่วตนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทนความสงบสึก ต, ต่อไป